ความกังวลไม่ได้ช่วยให้ดวงดีขึ้นหากนิมิตทางใจเป็นไปนในทางสว่างทางดีก็ไม่มีอะไรข้างนอกมือจริงไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้หรือข้างหน้าแม้ไม่มียานยางรู้แผ่นที่ชีวิตล่วงหน้าคนธรรมดาก็สามารถมีความอย่างรู้สัจธรรมข้อหนึ่งพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้เดี๋ยวนี้นั่นคือ การเป็นทุกข์ล่วงหน้าทั้งที่เรื่องยังไม่เกิดผลยังไม่ชัดจัดเป็นความสูญเปล่าเนื้อตัวเกรงเปล่าหลังสารเสียเียปล่าอารมณ์ขมวดเปล่าคิ้วขมวดเปล่ามีสิทธิคิดอะไรเร็วๆพูดอะไรเร็วๆไปเปล่าๆในมุมมองของพระอรหันต์ท่านย้อนมองมาเห็นปุตุชนทั้งหลายเห็นว่าต่างเป็นทุกข์เป็นร้อนกันเปล่า หนักบ้างเบาบ้างอยู่ทุกวันทุกเพื่อสิ่งที่ยังไงก็ต้องแปรปรวนไปทุกเพื่อสิ่งที่เป็นตัวตนในอนาคตไม่ใช่ตัวตนในตอนนี้ทุกเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆอะไรเลยความกังวลไม่ได้ช่วยให้ดวงดีขึ้นความสบายใจความมีจิตผ่องแผ้วเป็นกุศลต่างหากที่ช่วยบรรเทา ในเรื่องร้ายที่กำลังเกิดขึ้นเบาบางลงถ้าหากเรื่องร้ายยังไม่เกิดแต่ใจคอเราเครียดกังวลไปแล้วที่แน่ๆคือสถานการณ์ทางใจจะไม่ดีและที่เป็นแนวโน้มคือเ้อเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจริงก็จะไม่เหลืออะไรดีๆอยู่เลยแค่เห็นบ่อยๆในขณะที่ทุกเกิดว่า ทุกของวันนี้อาจเป็นทุกที่สูญเปล่าของวันพรุ่งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่คุณจะคลายความกังวลเสียได้ต่อให้เรื่องจะเกิดขึ้นจริงผลจะออกมาแย่จริงก็ยังไม่ถึงเวลาต้องเป็นทุก์จะผลนั้นจริงๆอย่าเชื่อนิมิตบอกที่เห็นภายนอกให้ดูนิมิตทางใจที่ปลอดโปร่งหรืออลร م ا หากนิมิตทางใจเป็นไปในทางสว่างทางดีก็ไม่มีอะไรข้างนอกมือจริงไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้หรือข้างหน้าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากสิ่งที่ยุ่งยากคือใจที่ไม่ยอมรับความจริง ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ยุ่งยากสิ่งที่ยุ่งยากคือใจที่ไม่ยอมรับความจริงคือใจที่อยากปิดบังความจริงคือใจที่รู้สึกแปลกแ ย, ยกจากความจริงคือใจที่ตั้งต้นเป็นศัตรู ก, กับความจริงศา ส, สนาพุทธให้เริ่มฝึกใจกลมกลืนกับความจริงด้วยการไม่บิดเบือนความจริงไม่เสแสร้งแกล้งไม่รู้ความจริง พยายามทำอะไรให้ดีขึ้นในความจริงเห็นทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงเมื่อใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความจริงในที่สุดจะไม่ถูกความจริงทำร้ายแต่จะปลอดภัยไร้กังวลและไม่เป็นทุกข์ใดๆอยู่ในโลกความจริง